มัจ <Okay. S 2> เรวันพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2545เป็นวันหยุดจากภารกิจการทำงานธรรมาหากิจผู้ที่มีเวลาว่า ผู้ที่รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็เลยได้มาที่วัดกันเพื่อจะได้ประกอบคุณางามความดีตามแนวทางที่พระบ ร, ระาศาสดาพระอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพราะเวลาที่มาวัดก็จะได้ทำบุญ ซึ่งเปรียบเหมือนกับอาหารใจทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขและสร้างคุ้สมคือให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดด้วยการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็น <c oughs> สิ่งที่เป็นเสื่ออย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราเป็นสิ่งที่ยาก ยิ่งที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมคือการเรียนรู้ชีวิตของเราธรรมะทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิน้นชีวิตของเรานั้นก็มีส่วนประกอบที่เห็นได้และส่วนที่มองไม่เห็นเหมือนกับต้นไม้ที่มีส่วนที่เห็นได้และส่วนที่ไม่เห็นส่วนที่เห็นได้ของต้นไม้ก็คือส่วนที่โผล่ขึ้นมา mm hmm. เหนือดินขึ้นมา เช่นลำต้นใบดอกและผลส่วนที่ไม่เห็นของต้นไม้ก็คือส่วนที่อยู่ใต้คื้นดินลงไปคือพวกรากต่างๆของต้นไม้ชีวิตของเราก็มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่เราเห็นได้ก็คือร่างกายของเรา ส่วนที่เราไม่สามารถเห็นได้เพราะเป็นนามธรรมาก็คือจิตใจของเราชีวิตของเรานั้นก็ประกอบขึ้นแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันที่เราเห็นได้ก็มีที่เราไม่เห็นก็มีเช่นส่วนที่เราเห็นได้ก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคต ที่เห็นได้ก็มีเช่นอดีตคือการเกิดพวกเราเห็นได้ว่าเราได้เกิดมากันมีรูปร่างร่างกายนี้เกิดขึ้นมาปัจจุบันเราก็เห็นได้เราเห็นร่างกายแล้วเราก็เห็นความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่กับร่างกายและจิตใจอนาคต ของร่างกายเราก็เห็นได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปและเมื่อนำเอาไปฝังในดินก็จะกลายเป็นดินไปถ้านำไปเผาก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านไปเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เป็นส่วนที่เราเห็นได้กันเพราะเป็นรูปธรรมแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ที่เราไม่เห็นกันไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆนั่นก็คือ <c oughs> วิถีของจิตของเราเช่นก่อนที่ร่างกายนี้จะเกิดขึ้นมาวิถีจิตคือจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเป็นมาอย่างไรและอนาคตเมื่อร่างกายนี้สลายไปแล้ว จิตของเราจะไปไหนต่อถ้าคนที่ไม่เคยได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมก็จะถือว่าชีวิตนั้นอยู่ที่ร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่ขุดดินลงไปใต้ดินก็จะไม่เห็นรากของต้นไม้ฉันใดคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะ คิดว่าชีวิตนี้ก็ประกอบไปด้วยร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้เกิดมาก็มีการเจริญเติบโตและในที่สุดก็มีการแก่มีการเจ็บและการตายไปเมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนี้ก็ถือว่าจบกันศูนย์มาจากศูนย์ และกลับคืนสู่สูนซึ่งก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงของครื่งเดียวของชีวิตเราเป็นความจริงของร่างกายแต่ความจริงของจิตใจเราไม่รู้เราไม่เห็นกันเรา <c oughs> จรึงเป็นเหมือนกับคนที่ดูแลต้นไม้แบบดูแลต้นไม้เพียงครึ่งเดียว คือ ด, ดูแลส่วนที่โผล่ขึ้นมาจากบนดินถ้ามีปัญหาอะไรกับต้นกับใบกับผลเราก็หายามารักษาให้ต้นไม้นั้นหายจากภัยที่มาคุกคามได้แต่ถ้าเกิดมีภัยที่คุกคามรากไม้เราไม่รู้ว่ามีรากไม้อยู่ข้างล่าง ต่อให้เรารักษาต้นไม้ที่อยู่บนดินนั้นอย่างไรกรต็ตามถ้ารากไม้ถูกทําลายต้นไม้นั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกทําลายไปด้วยเพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราเพียงแต่ดูแลส่วนร่างกายเท่านั้นแล้วไม่ดูแลส่วน จิตใจยามที่จิตใจถูกพิษภัยทลุกคุก ค, คามทำลายชีวิตของเราก็จะมีแต่ความมืดมนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหอมองมีแต่ความซึมเศร้าและอาจจะนาพาไปสู่การทำลายชีวิตด้วยตนเองในลำดับต่อไปก็เป็นได้ เพราะเราไม่ได้ดูแลส่วนที่เรามองไม่เห็นกันก็คือส่วนของจิตใจเราเนอแต่ดูแลส่วนที่เราเห็นกันคือร่างกายของเราแต่เรากลับไม่เห็นความทุกข์ความทรมานใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและเวลาที่เกิดขึ้นมากๆเราก็จะทนอยู่ ต่อไปไม่ได้นี่แหละเป็นเรื่องของชีวิตของเราชีวิตของเรามีทั้งที่เห็นได้และไม่เห็นชีวิตของเรานั้นมีการเป็นมาตั้งแต่ก่อนร่างกายนี้เกิดและจะมีการเป็นไปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้สลายไปแล้วเพราะธรรมชาติของใจ เป็นสิ่งที่ไม่สลายไม่แตกไม่ดับเป็นของที่อยู่แบบอนันตการอยู่ไปตลอดแต่จะอยู่แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจนั้นการกระทําของใจนี้เราเรียกว่ากรรมกรรมก็มีทั้งกรรมดี และกรรมชั่วหรือบาปกรรมบาปกรรมกับบุญ <c oughs> ถ้าทำกรรมดีทำบุญจิตใจก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับรากไม้ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยน้ำและด้วยการปกป้องคอยไม่ให้หนอนต่างๆมา มากัดมาทำลายรากไม้ส่วนบาปกรรมก็เป็นเหมือนกับเป็นการกระทำความเป็นการกระทำที่นำมาซึ่งความทุกข์ความหายนะทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับรากไม้ที่ถูกหนอนหรือสัตว์ชนิดต่างๆนั้นเข้าไปกัดกินไปทำลายรากไม้ก็นำพาไปสู่ความ สลายของต้นไม้ในในที่สุดชีวิตของอเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราทำาุ๊กทำกรรมดีทาบุญทากุศลชีวิตของเราย่อมเจริญรุ่งเรืองอถ้าเราทำบาปทากรรมชีวิตของเราย่อมตกทุกข์ไดา้ยา อย่างความเป็นมาอย่างความเป็นของเราในขณะนี้นั้นก็ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทํากรรมในอดีตอดีตนี้ก็หมายถึงตั้งแต่เมื่อขณะที่แล้วนี้เมื่อวินาทีที่ผ่านไปนี้ไปจอกระทั่งนับไม่ได้ในอดี ต, ตการอันยาวนานเราได้ทำอะไรมามากมายกายกองเพียงแต่วันนี้เราก็ทำกันแบบ จดจำกันไม่ได้แล้วตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดอะไรกันบ้างเราพูดอะไรกันบ้างเราทำอะไรกันบ้างเราก็นับไม่ถ้วนแล้วจดจำไม่ได้แล้วมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งบุญมีทั้งบาปนะและการกระทำเหล่านี้ก็จะสะสมแล้วก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ในลำดับต่อไปเหมือนกับต้นไม้ที่ค่อยๆสะสมน้ำสะสมแดดสะสมอากาศสะสมดินแล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆหรือเสื่อมไปเรื่อยๆตามเหตุที่ทำให้เกิดความเสือ่อมเช่นรากเริ่มเกิดมีอาการเน่าขึ้นมาต้นไม้ต้นนั้นก้นจะค่อยๆ เสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งนนที่สุดก็จะตายไปแต่จิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่เป็นสิ่งที่จะต้องเสวยวิบาก ค, คือผลที่ใจเป็นผู้กระทามาในอดีตและในปัจจุบันผลที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตที่จะตามมา ปัจจุบันนี้ความเป็นมาของเรานั้นเราเป็นกันอย่างไรก็ล้วนเป็นเหตุที่เกิดจากผลที่เราได้ทำมาในอนดีตทั้งสิน้นเราเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนมีรูปร่างอาการสาสิบสองครบบริบูรณ์หรือไม่เป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดเป็นคนมีรูปร่างหน้าตา สวยงามหรือไม่สวยงามเหล่านี้ล้วนเป็นวิบาก ค, คือเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของใจมาในอดีตและจะส่งผลต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีการกระทำกรรมกันอยู่ตราบใดเรายังมีความคิดมีการพูดมีการกระทำ ตราบนั้นก็ยังจะมีผลต่างๆตามมาแบบไม่รู้จักจบจักสิน้นถึงแม้จะตายจากภพนี้ไปแล้วชาตินี้ไปแล้วก็ตายเป็นเพียงส่วนของร่างกายเท่านั้นแต่ใจก็จะต้องไปเกิดใหม่อีกเหมือนกับที่ใจแย้ตายจากภพชาติในอดีตแล้วมาเกิดในภพชาตินี้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าพวกเรานั้นมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิ ด, ดเป็นกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึรร่งอาศัย <c oughs> มีกรรมจยากทํากรรมอันใดไว้จยากต้องจดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้ รับผลของกับนั้น <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของเราที่เรามักจะที่เรามักจะไม่เห็นกันเราเลยกระทำอะไรไปตามอาเภอใจตามอารมณ์ของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอารมณ์ที่ฝ่ายตำ่ำเพราะใจของเรานั้นถูกอำนาจของกิเล ต, ตัณหา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่แต่เรื่องเลวร้ายทั้งหลายเมื่อเราถูกอํานาจของกิเลสตัณหาพาไปแล้วเราไม่ได้มีสติมีปัญญาไม่มีธรรมะไว้เป็นเครื่องต่อ้านชีวิตของเราก็จะถูกกิเลสตัณหาชุดลากไปสู่ความทุกข์ชุดลากไปสู่ความวุ่นวาย และเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในที่ต่ำคือในอบายทั้งสี่แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายที่จะฉุดลกให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะเมื่อทำไปแล้ว จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลาย <c oughs> ถ้าเราต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ต่อไปจิตใจของเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเมื่อทำแต่สิ่งที่ดีที่งามก็จะนำจิตใจของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญเมื่อตายไป ก็ได้ไปเกิดที่ดีไปเกิดในสุคติเป็นที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของพระองของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องราวของบุญและกรรมและชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินไปแต่ละวันนี้ย่อมจะต้องเซอร์เวย์วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วสลับกันไป เพราะในอนดีตเราได้ทำมาทั้งสองอย่างกรรมดีเราก็เคยทำกรรมชั่วเราก็เคยทาแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเสวยวิบาสของกรรมเราขอให้เราต้องใช้ความอดทนอย่าท้อแท้อย่าไปกลัวเพราะไม่มีอะไรทำร้ายใจของเราได้เพียงแต่จะสร้างความทุกข์ ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองถ้าเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้กับใจของเราใจของเราจะมี <c oughs> ภูมิคุ้มกันมีสิ่งปกป้องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการเผชิญกับวิบาบได้ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันคือมีธรรมะ มีสติมีปัญญายาที่วิบากกรรมไม่ดีคือความวิบากของการกระทำความชั่วทำบาปเกิดขึ้นมาเราจะทนไม่ได้แล้วแทนที่เราจะทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบางลงไปหรือไม่มีอำนาจมาย่ำเยีจิตใจของเราเรากับ ปล่อยให้วิบากกรรมนั้นเป็นตัวผลักดันให้เราไปสร้างกรรมชั่วสร้างบาปกรรมให้มากขึ้นไปอีกก็เป็นได้ดังนั้นเราจึงต้องนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสัง่งมาใช้กับชีวิตจิตใจของเราธรรมะพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านั้น มีอยู่เสมอก็คือสัจจะความซื่อสัตย์จาคะการเสียสละขันติความอดทนธรรมะความอดกลั้นนี่เป็นธรรมสี่ประการถ้ามีอยู่ในใจของเราแล้วยามที่เกิดวิบากกรรมที่ไม่ดีกับตัวเราเช่นอาจจะตกทุกข์ได้ยาก เช่นตอนนี้เรามีงานทําอยู่ๆก็อาจจะต้องถูกปลดออกจากงานหรืออยู่ๆสามีหรือภรรยาก็แยกทางกับเราไปถ้าเราไม่มีขันติความอดทนไม่มีธรรมะความอดกลั้นเราอาจเราคงจะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นกับคู่ครองของเราก็เป็นได้แล้วถ้าเราไม่ ระงับความโกรธแค้นที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราปล่อยให้ทวีคูณมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปทำบาปทากรรมอย่างใดอย่างหนึง่งดังที่เราได้ยินได้ฟังในข่าวทุกวันนี้น่าจะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอเมื่อเกิดความผิดหวัง เกิดความโกรธความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็จะต้องไปทำปาณาติบาตคือทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพราะไม่มีขันติความอดทนไม่มีธรรมะความอดกลั้นที่จ ะ, ะเผชิญกับวิบาส ท, ที่ไม่ดีของตนในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังทําคคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างสม่ำเสมอแล้วเรานําไปฝึกฝนในชีวิตประจําวันของเราเวลาเราประสบกับความทุกข์ความยากความลำบากเราก็ใช้ขันติความอดทนธรรมะความอดกลั้นมัดชัยไว้ <c oughs> ถึงแม้อยากจะด่าคนอยากจะทุบตีผู้อื่น <c oughs> ก็จะไม่ทําถึงแม่จะร้อนอย่างไรถึงแม่จะหนาวอย่างไรถึงแม่จะหิวอย่างไร ก็จะทนเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ผ่านไปและก็เป็นสิ่งที่ใจของเรานั้นสามารถประเชิญได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเร็วร้ายขนาดไหนไม่ว่าจะทุกข์รุนแรงขนาดไหนลำบากยากเย็นขนาดไหนใจของเรานั้นถ้ามีธรรมะแล้วสามารถประเชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ แม้กระทั่งความตายของร่างกายนี้ก็เผชิญได้คิดดูสิคนที่เขาไม่มีธรรมะเขาก็ยังตายได้เพียงแต่ว่าการตายของคนที่ไม่มีธรรมะนั้นตายด้วยความทุกข์ตายด้วยความวุ่นวายใจแต่คนที่มีธรรมะนั้นจะตายด้วยความสงบเพราะมีขันติความอดทนมีธรรมะความอดกัน้น ทำให้จิตใจนิ่งสงบเวลาจิตนิ่งสงบนั้นจิตมีความสบายมีความสุขแม้จะอยู่ท่ามกลางกองทุกเวทนาของร่างกายที่เกิดขึ้นในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามไข้จะตายก็ตามแต่ทุกขเวทนาของร่างกายนั้นจะไม่สามารถเข้าไปซึมซับเข้าไปในจิตใจของผู้ที่มีธรรมะได้เลย เพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันมาให้ความทุกข์ของร่างกายนั้นซึมซับเข้าไปในจิตใจธรรมะนี่ก็คือขันติความอดทนธรรมะคือความอดกลั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเสริมสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการจะทำแต่ส่วนใหญ่ เราไม่รู้กันเราไม่เห็นคุณของความอดทนอดกลั้นกันเรากลับเห็นทุนเหตุคุณของการระบายออกมาแม้กระทั่งนักวพยาศาสตร์หรือแพทย์จิตแพทย์ในสมัยปัจจุบันนี้ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเวลาคนที่มีความอัดอั้นตันใจมีความโกรธแค้นอยู่ภายในใจเขาสอนว่าไม่ควรที่จะเก็บไว้ภายในใจ เขาเปรียบเหมือนกับน้ำร้อนที่น้ำที่เราต้มอยู่ในกาแลเราไปปิดรูออกของอากาศเวลาที่น้ามันเดือดมันก็มีความกดดันภายในมากก็จะทำให้หม้อน้ำนั้นระเบิดขึ้นมาได้เขาเปรียบเทียบแบบนั้นกันแต่ใจไม่ใช่เป็นหม้อน้ำใจไม่เหมือนกับหม้อน้ำใจนี้กลับเป็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหม้อน้ำ ถ้าเราเวลามีอารมณ์ไม่ดีแล้วปล่อยให้ระเบิดออกมาระบายออกมาเราคิดว่าเมื่อระบายไปแล้วเราจะสบายใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะเมื่อเราระเบิดออกมาแล้วมันก็จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์อีกหลายชั้นตามมาเมื่อเราไปฆ่าคนใจของเราก็ต้องมีความว้าวุ่นขุนมัวแล้ว พอเรารู้ว่าเราจะต้องถูกเขาจับเราไปลงโทษความความทุกข์ภายในใจก็ไม่ผุดไปแต่ถ้าเราระงับอารมณ์นั้นด้วยขันติด้วยธรรมะโดยใช้อุบายแห่งสมาธิก็ดีหรืออุบายแห่งปัญญาก็ดีเวลาที่เกิดความโกรธเกิดอารมณ์คับแค้นใจท่านสอนให้เรา เจริญสมาธิให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้เช่นระลึกคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจโดยที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวที่สร้างความขับแค้นใจให้กับเราหรือจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราจำได้ก็ได้สวดไปเรื่อยๆสวดไป อย่าไปคิดถึงเรื่องราวที่สร้างความขับแค้นใจให้กับเราพยายามสวดไปในใจหลับตาก็ได้ก็หลับตาสวดภายในใจไม่ต้องไม่ต้องส่งเสียงออกมาสวดไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วใจจะค่อยๆเย็นใจจะค่อยๆหา่างจากเรื่องราวที่สร้างความขับแค้นใจให้กับเราเหมือนกับเวลาที่เรายืน อ, อยู่ใกล้ๆ ก, กองไฟ กองไฟความร้อนของกองไฟมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกร้อนแต่ถ้าเราขยับถอยออกมาให้ห่างไกลจากกองไฟความร้อนของไฟนั้นก็จะไม่มีอิทธิพลสร้างความร้อนให้กับร่างกายของเราได้เรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราสร้างความขับแค้นใจให้กับเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราถอยออกมา จากเรื่องราวนั้นได้เราก็จะจิตใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะสบาย <c oughs> นี่แหละคือวิธีการใช้ขันติโดยอุบายแห่งสมาธิ <c oughs> เราคิดแต่พุทโธรละลึกแต่พุทโธอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็จะไม่สามารถไป ล, ลึกเรื่องอื่นได้ ใจของเราจะคิดเรื่องอะไรนี้คิดได้ทีละเรื่องจะคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันในทีเดียวไม่ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าความคิดของใจเราเร็วมากสามารถคิดจากเรื่องนั้นมาสู่เรื่องนี้สลับไปสลับมาได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งดูเหมือนกับว่าใจของเรากำลังคิดในเรื่องหลายๆเรื่องในในขณะเดียวกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ใจจะคิดในหนึ่งขณะจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เรื่องเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกขณะเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับบทสวดมนต์ได้ในไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะเริ่มห่างออกจากเรื่องราวต่างๆที่สร้างความคับแค้นใจให้กับเราแล้วในที่สุดใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเย็น นี่แหละคือวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับญาติโยมบางคนที่มีความเศร้าสลดเสียใจเลยมาอยู่ที่วัดสักระยะหนึ่งสัก3ามวันห้าวันเจ็วันเพื่อให้อยู่ห่างจากเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความรับแค้นใจมาฝึกจิตมาทำจิตให้ว่าไหว้พระสวดมนต์ นั่งทำสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดเรื่องราวที่สร้างความขับแค้นใจก็หายออกไปจากจิตจากใจเมื่อเรื่องราวนั้นหายไปใจก็สงบใจก็เย็ดใจก็เย็นใจก็สบายแล้วปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทำไม่ดีไม่ร้ายของใจที่มีความว้าวุ่นวูนในขณะนั้น ก็จะไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีใจก็ยอมรับความจริงว่ามันเป็นวิบากของเราเราเกิดมาเราก็ต้องรับวิบากซึ่งมีทั้งดีและชั่วดังที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมของเราจะดีหรือจะชั่วเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้น แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระเชินได้อย่างสบายอย่างไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ดังนั้นหน้าที่ของเราที่เราเกิดมาในโลกนี้นั้นจึงเป็นการสะสมบุญความดีสะสมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ จนกระทั่งเราสะสมได้เต็มบริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายถ้าทําได้ถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะอยู่เหนือกรรมเราจะกรรมจะตามเราไปไม่ได้ต่อไปตามได้ก็เพียงแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นเองเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่มีกรรมไม่มีวิบากที่จะส่งให้เราไปเกิดอีก แม้จะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็ตามก็ยังเป็นก็เป็นภพภูมิที่มีความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นแหละไม่นด้หมายความว่าเมื่อได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรหมแล้วจะเป็นพรหมไปตลอดก็ไม่ใช่เมื่อวิบากหรือผลของบุญนั้นหมดไปจิตก็จะต้องเสื่อมลงมาตามลำดับจน ก, กระทั่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาใช้วิบากกรรม ที่เราเคยทำไว้ในอดีตแต่ถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปวิบากกรรมทั้งหลายก็จะไม่สามารถส่งผลไปถึงใจของผู้ที่ไม่เกิดได้อีกแล้วเพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังเกิด